ลำดับของเทศนาก็เป็นลำดับของที่ทำให้จะให้เข้าใจในสิ่งนั้นชัดเจนขึ้นด้วยแล้วลำดับของการเจริญเติบโตอะไรด้วยอีกส่วนหนึ่งซึ่งลำดับจริงๆแล้วมีอยู่หลายประการเช่นลำดับการเกิดลำดับการแสดงลำดับการปฏิบัติลำดับการปฏิบัติก็เช่นลำดับไตสิกขาใช่ไหสิกขาต้องตามลำดับศีลสมาธิปัญญาหรือ ถ้าเพิ่มอีกหน่อยก็ลำดับตามที่ศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิเป็นต้นนะก็จะมีตามลําดับไปซึ่งทั่วๆไปก็จะมีเหตุผลโดยลําดับคัมภี์ปฏิสัมพิธามมักก็เป็นคัมพีที่ที่ให้เหตุผลเชื่อมลําดับเหมือนกันอย่างตัวอย่างแรกเขาเรียกว่ากลุ่มมหาวัคเนี่ยนะจะขึ้นต้นด้วยญาณกถาก็มีเหตุผลว่าในปฏิสัมพิธามมัก30เรื่องเนี่ยทำไมต้องขึ้นต้นด้วยเรื่องญาณก่อน ทําไมต้องขึ้นต้นด้วยเรื่องปัญญาขึ้นมาก่อนก็บอกว่าเพราะปัญญาเนี่ยถ้ากล่าวตามมักมีองแปดนี้ขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะแล้วสัมมาทิฏฐิเนี่ยถือว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทานในสายนี้เป็นธรรมะสายกลางของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะแล้วไม่เป็นส่วนสุดไปอุตเฉททิฏฐิไม่ส่วนสุดสัสตาทิฏฐิอันนี้เหตุผลต้องขึ้นด้วยญาณทีนี้ญาณ น, นี่ทําไมต้องขึ้นด้วยสุตตะมยญาณ เขจะต่อด้วยสุตตะเพราะว่าสุตตะมยายานนี้เป็นเบื้องต้นสําหรับผู้ที่เป็นสาวกทั้งหลายใช่ไหมมีศรัทธาแล้วเข้าไปหาแล้วฟังธรรมหรื อ, อสัพปริขอไปโสตาปฏิยังฆ่าธรรมก็ครบสัพป ร, รุตเนี่ยนะอะไรอีกฟังธรรมของสัตรบุรุษโยนิโสมนัสการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยก็ยังขึ้นต้นด้วยฟังอยู่ดีเพราะฉะนั้นการฟังนี้สําคัญเนี่ยนะ ฟังนี่ถือว่าสําคัญทีนี้ฟังแล้วจะมีประโยชน์ได้ก็คือเมื่อต่อไปสังวร น, น, นี้เรียกว่าศีลมยะยานก็จะต่อด้วยศีลมยะยานก็อบอกว่าเมื่อฟังแล้วไปสังวรตามนั่นแหละเรียกว่าศีลทีนี้คนที่มีศีลแล้วอ่ะสังวรอย่างนี้ทําจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธินะพอทีนี้ขึ้นปัจจะกําหนดปัจใจเอาทำไมไม่ไม่ไ ม, ไม่ตอแบบนี้เขาทั้งคาถามว่าทําไมไม่เชื่อมแบบนี้อีกอะ ก็บอกว่าไม่ต้องต่อเพราะว่าการกำหนดปัจจัยเนี่ยนะกับการพิจารณาที่เป็นสัมมสัยานเนี่ยเป็นต้นเนี่ยพวกนี้เป็นธรรมะคู่กันต้องเจริญคู่กันไปนะไม่ใช่ว่ามีสมาธิก่อนแล้วค่อยมาเจริญปัญญาไม่ใช่คือทำสมาธิให้ได้ก่อนแล้วเจริญปัญญาและสลับควบคู่กันไปกับการเจริญ สมาธิที่เราเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสนาคู่กันแล้วก็จะเริ่มสัมพันธ์ไปอย่างนี้เป็นอุทยภยญาณเนี่ยนะอุทยภยญาณจบแล้วต่อด้วยอะไรพังคยานหรือวิปัสนาญาณเนี่ยนะก็จะขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยๆจนถึงปัจจเวขณญาณหลังจากวัดปัจเจเวขณาญาณก็จะมาต่อกำหนดวัตถุภายในวัตถุภายนอกนะก็ จะขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงยานเจบาเนี่ยนะเขาก็มีเหตุผลเชื่อมเเชื่ อ, ช, อ, ช, อชื่อมกันแบบนี้ต่อไปอทีนี้เขาตั้งคำถามอันนี้นี่เรื่องแรกนะเรื่องที่หนึ่งก่อนในบรรดา3าสิบเรื่องนี้มาขึ้นเรื่องที่สองว่าทำไมจึงขึ้นต่อด้วยพอจบยานนักฐานนะจริงๆแล้วกว่าจะจบอย่างที่ว่านี่หนังสือประมาณพันเกือบสองอหน้านะ ท, ที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ย ที่อธิบายเรื่องนี้หนังสือพันเกือบพันสองหน้าเสร็จแล้วแล้วพอจบยานนกถาอย่างที่ว่าไปอ่ะทำไมจึงต้องมาต่อทิฏฐิกถาเรียกว่าต่อด้วยเรื่องทิฏฐิเพราะต้องการจะชําระทิฏฐิคนที่มียานแบบนี้อย่างที่กล่าวไปนะจะชําระทิฏฐิกว่า200ได้ทุกชนิดถ้ามีปัญญาตามตามที่ที่กล่าวไปแล้วเนี่ยละทิฏฐิได้เกือบทุกชนิด เนี่นะจึงกล่าวทิฏิ ถ, ถาต่อที่นี้ผู้ที่เรียมทิฏฐิกถาดีเนี่ยนะอพอไม่มีทิฏฐิเป็นเครื่องกลุ่มรุ ม, รมกังวลอะไรก็มาเจริญอาณาปานะก็มากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยนะ 14, จะ 16, 4, จะตุกะเนี่ยนก็เท่ากับ16วัตถุ เ, เรียกว่าอาณาปานสติ มีวัตถุ16เนะีนะ่ยเสร็จแล้วพอจบอานาปานสติแล้วก็บอกว่าผู้ที่เจริญณาปานสติเนี่ยก็มาปรับอินทรีย์ก็จะต่อด้วยอินทรีย์ก็เถาเพราะว่าคนที่เจรณาปานนี้เพื่อที่จะได้ปรับอินทรีย์เนี่ยนะผลของการปรับอินทรีย์เนี่ยจะได้อะไรก็บอกได้วิโมกหลุดพ้นเะนี่ยนะทีนี้คนที่จะหลุดพ้นได้เนี่ยจะต้องอาศัยอะไร ต้องมีคติคติสมบัติเชนว่านั้นเถอะต้องมีคติดีทีนี้คนที่จะมีคติดีเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ากรรมดีก็เลยเรียกเรียงเรื่องกรรมมะกราอานะันนั้นเป็นเรื่องที่เจทีนี้ถามว่าทาไมกรรมมันจึงให้ผลทำไมจึงกรรมจึงมีผลเพราะวิ ป, ปรารถเนี่ยนะ ทีนี้ถ้าจะละวิปลาสได้ต้องอาศัยอะไรเก้าก็บอกว่าต้องวิราฆะนะต้องละเรียกวิราฆะกถาถ้าจะละหรือที่เรียกว่าพรหมจรรย์นเนี่ยนะธรรมะสายพรหมจรรย์ทีนี้ ก, ก็เรื่องที่สิบเนี่ยมันเปยะควรดื่มรว่างนั้นเถอะอันนี้ควรดื่มเป็นอย่างมากพรหมจรรย์อริยมรรคตรงนี้ซึ่งหมายถึงอริยมรรคนะจึงจะมาละวิปลาสได้ ตรงนี้หมายถึงมักนะแต่ถ้าจำไม่ผิดเรียกว่าวีราคะแต่อาจอา จ, จะาจําผิดนะข้อกเนี่ยแต่ว่าข้อสุดท้ายเนี่ยเรียกว่ามันดาเปะยะเป็นเรื่องที่ควรดื่ก็อบอกว่า10เรื่องนี้สัมพันธ์กันหมดเลยเนี่ยนเะชื่อมเชื่อ ม, อมเรื่องสัมพันธ์กันมาแบบนีอ้อันนี้วักที่หนึ่งอันนี้วักที่หนึ่งก่อนนะวักที่หนึ่ง ทีนี้พอจบอย่างนี้ก็มาขึ้นวร์กที่สองวร์ที่สองว่าธรรมะที่ควรดื่มเนี่ยแบ่งเป็นคู่กันนะเรียกว่ายุคนณะยุคคณะทักถาเพราะว่าอันนี้ต้องเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปแล้วก็จะมีเหตุผลอย่างนี้ไล่ไปเรื่อยๆพอจบวร์กที่สองก็ขึ้นวรที่สามวร์กที่สามก็ขึ้นว่าถ้าคือปัญญากถา เท่ากับเรื่องที่21ขึ้นปัญญาคถาว่าถ้าเจริญอ น, นิจจานุปัสสนามากๆจะได้อ น, นิสงอย่างไ ง, งนะก็จะขึ้นต่อไปอย่างนงี้แต่นี้กำลังพูดแบบคุณสวนเขาว่าคุณสวนเขาบอโอเปิดฟ้าเปิดทะเลหมดเขาอางนั้นคุณสวนเขาแซวเลย ทีนี้เรื่องที่จะพูดคือเรื่องนี้เนี่ยนะก็เชื่อมเรื่องว่าสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเอา่อทุกคนปรารถนาโดยมากก็จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมวิโมกวิโมกคือที่เรียกว่าบรรลุมรคนี่นะการตรัสรู้ที่เป็นวิโมกคนที่จะบรรลุได้เนี่ยถ้าคติไม่ดีเนี่ยจะบรรลุเป็นไปได้ไหมเช่นเดรัชานบนรรลุได้ไหมไม่ได้ เป็นเดรัจฉานบรรลุไม่ได้เป็นเหตุตุกะปฏิสนธิทั้งหลายทั้งหมดนี่จะบรรลุไม่ได้ผู้ที่บรรลุได้ต้องอยู่ในคติคติต้องเป็นคติสมบัติเนี่ยนะคติสมบัตินั้ น, ะ น, นเงื่อนไขว่าต้องเป็นติเหตุตุกะปฏิสนธิเนี่ยนะต้องปฏิสนธิด้วยไตรเหตุนะ คือคว่าปฏิสนธิด้วยไตรเหตุคือมหาวิบากดวงที่1ดวงที่2ดวงที่5กับดวงที่ 6-4 ดวงผู้ที่จะสามารถตรัสรู้ได้นะแล้วก็ที่เหลือก็ชาณวิบากแต่นี่พูดถึงมหามหาวิบากธรรมดา ท, ทั่วไปเนี่ยคือมหาวิบากที่เป็นญาณสัมปยุทธ์เท่านั้นนำเกิดจึงจะได้บรรลุถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเคยได้ยินนะว่าอันตรายกรรมเนี่ย อันตรา ย, ยิกธรรมคือทำที่เป็นอันตรายต่อทำให้ไม่ได้บรรลุมรรคผลข้อแรกก็คืออนันตริยกรรมหา้าอนันตริยกรรมหา้าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระรหันธรรมเลือดพระพุทธเจ้าให้ห่อทมสังฆเพศเพื่องนี้หมดสิทธิบรรลุข้อที่สองอีกคือเอ่อเรียกว่ากิเลสาวออันนี้ถ้าพูด ง, ง่ายๆว่ากรรมมาวอ เครื่องกั้นคือกรรมสองก็กิเลสสาวนเครื่องกั้นคือกิเลสหมายถึงมิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นนียจะตามิจฉาทิฏฐิก็ถาวเลยแก้ไม่ได้พวกแก้ไม่ได้นะพวกนี้ก็เป็นเครื่องกัน้น <c oughs> นี้ส่วนต่อไปก็คืออริยุ ป, ประวาตเนี่ยนะ อริยะบวกอุปวาระอุปวาานี้แปลว่าเข้าไปว่ารา้ายพระอาริยะไปหมิ่นพระพุทธเจ้าหมินพระหมิ่นพระรัตนตรายนะพูดง่ายๆว่าหมิ่นพระรัตนตรายหมิ่นบุคคลที่เป็นพระอริยะพวกนี้ก็เครื่องกัน้นแต่ถ้าเป็นตะปูตรึงใจก็โกรธเพื่อนนี้ก็ไม่ได้บรรลุแล้ว น, น, นดูหมิ่นพระรัตนตรายนี่สงสัยพระรัตนตรายสงสัยศีขาและทะเลาะกับพวกนี้ก็ไม่ได้บรรลุแล้วเรียกว่ามีความ โกรธในเพื่อนสาวพรหมจารีแต่ตรงนี้เน้นที่อายุประวาติคือการเข้าไปว่าร้ายพระอริยะไปดูหมิ่นพระอริยะนี้เขาบอกนเขาบอกว่าสําคัญมากนะตัวนี้บาปเทียบเทีย บ, บกลุ่มมันันตรยกรรมแต่ว่าดีหน่อยตรงที่ขอขมาได้ทัานเองขอขมาแล้วก็แต่ขอขมาไม่ใช่ว่ากรรมจะไร้ผลนะแต่หมายขมาไม่กั้นถ้าถ้าขอขมาเสร็จแล้วจะไม่เป็นเครื่องกั้นต่อการบรรลุ เช่นอย่างที่พระอรหันต์กับพระโสดาบันเนี่ยไปบินธบาติด้วยกันพระอรหันต์นีนนนเนลล่เป็นอาจารย์พรนะโสดาบันบเป็นลูกศิษย์บินธบาติด้วยกันทีนี้พระโสไอ้พระอรหันต์นี่เป็นโรคลมเป็นอาจารย์เนี่ยนะก็ไปบินธบาติได้ข้าวต้มคือถ้าไปบินเช้าหน่อยเนี่ยคนไม่รู้ศีรษลังกาทุกวันยังทําอยู่หรือเปล่าคือจะดื่มข้าวต้มในช่วงเช้าสายๆหน่อยจะกินอาหารหนะักเนี่ยช่วงเช้าๆก็จะดื่มข้าวต้มกันนางยองก็จะใส่ข้าวต้มใส่บาดข้าวต้มมาเนี พอพระฉันเข้าต้มเสร็จโดยปกติถ้าถ้าบ้านนั้นเขานี่ยมนให้ฉันก็จะนั่งสนทนาธรรมกันไปจนกว่าแม่บ้านจะทําอาหารเสร็จแล้วก็ค่อยนี่ยมนฉันต่อไปเลยแต่ถ้าเป็นนี้ก็อาจจะรับข้าวต้มบ้านนี้ไปฉันเสร็จก็อาจบินทบาทต่ออย่างเงี้นะก็มีก็วันนั้นเนี่ยพระอรหันต์ไปบินทบาทได้ข้าวต้มมาไปกับลูกศิษย์ที่เป็นพระโสดาบันศิษย์ทีนี้ท่านเป็นโรคลมะนะก็ควรจะได้ดื่มตอนมันร้อน ท่านก็แวะไปในที่หนึ่งท่านก็นั่งยองๆแล้วก็ยกบาตรดื่มข้าวต้ม น, นั่นไงข้าวต้มเละๆเหมือนดื่มโจ๊กอะนะแต่ว่ามันน้ําเยอะหน่อยพระโสดาบันก็บอกแหมแค่นี้ก็อดใจไม่ได้น่าจะคล้ายๆว่าพระอริอง์เนี้ยพระแก่องค์เนี้ยทาให้เราอับอายขายขี้หน้าเขาไม่ควรมาดื่มแถวนนเนี้ยนึกตําหน็งในใจนะนะั่นแหละพอหลังจากนั้นเนี่ยพระอรหันต์ก็ถามว่าตอนนี้คุณได้คุณชั้นไหนละบอกเป็นพระโสดาบันอยู่ครับ บอกเอออยู่เท่านั้นแหละก็ท่านก็รู้ตัวเลยอ้าวเรานี่ไปนึกนึกทบทวนไอ้เอกคือผู้ที่อ บ, บรมอินทรีย์หรือเจริญกุศลนะทุกความคิดเขาจะเอามาใคร่ครวนหมดเลยนะทุกความคิดที่เขาคิดนะมันดีมันเสียยังไงนะเขาจะทบทวนหมดเพราะฉะนั้นพระโสราบันนี่รู้ตัวเลยว่าอ้าวเรานี้นึกตำหนิพระจะนึกตำเนีพระอริยะนี่ซึ่งท่านก็รู้ท่านก็ทวงเราอ่ะนะนั่นก็ขอโทษ หลังจากนั้นก็ไม่เป็นไม่ไม่เป็นเครื่องกัน้นแต่นะใ น, ในทั้งวิสุทธิมรรคทั้งมหานิเทศทั้งอะไรเขาจะยกตัวอย่างเรื่องนี้ว่าการเข้าไปตำหนิพระรยานั้นมีโทษอย่างมากอันนี้ก็เป็นเครื่องกัน้นต่อการบรรลุมรรคผลทีนี้ข้อต่อไปอีกคืออ า, อานาวีติกะมะ ก็บอกว่าเจตนาที่ล่วงละเมิดอาบัตโดยความจงใจแล้วไม่ทำคืนอันนี้เป็นเครื่องกัน้นรู้ว่าผิดแล้วก็ยังล่วงละเมิดแล้วก็ไม่คิดจะทำคืนนะแช่เอาไว้ที่บอกว่ายิ่งปิดยิ่งสานวนว่ายิ่งปิดยิ่งรั่ว น, นะถ้าปกปิดยิ่งปิดมากยิ่งรั่วมากคือวินัยจะเป็นอย่างนี้สมมติว่าวันนี้เป็นนะเป็นอาบัตหนึ่งตัวไม่ปลงพรุ่งนี้บวกอีกสองเก็บไปเรื่อยๆจะบวกไปเรื่อยๆอย่าง มันจะคูณเพิ่มคูณเพิ่มคูณเพิ่มคูณเพิ่มปอกปิดปอกปิดปอกปิ ด, ป ก, ปดก็หมกเพิ่มเพราะฉะนั้นก็บอกว่ายิ่งปิดยิ่งรั่วอันนี้หมายถึงฝนคืออับัตนะทีนี้ข้อที่ห้าที่ที่จะพูดถึ ง, งนนเถอะคื อ, ทอเทอเตุกะเนี่ยนะหมายถึงวิปากาวลเครื่องกันคือวิบัต อันนี้คือตัวที่ทําให้ไม่ได้บรรลุ <c oughs> คืออย่างอื่นนี่ดีหมดเลยไม่ผิดหนึ่งสองสามสี่ไม่ผิ ด, 1, 2, 3, 4, ผดแต่ว่าเกิดมาเป็นหนึ่งอะเหตุกะอันนี้ก็ไม่ได้บรรลุสองทวิเหตุกะก็ไม่ได้บรรลุนี่ที่ที่กําลังจะพูดถึงคืออันนี้ทวิเหตุเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบุญประเภททวิเหตุนําเกิดนี่จบเลย บุญประเภทอาเหตุนาเกิดนี้ก็จบเพราะมีพญานาคอยู่คนหนึ่งนั่นนะเอระกับปตัตนาคราชเนี่ยนะแกบวชอยู่สองหมื่นปีนะปฏิบัติธรรมมาตลอดแต่ก็ไปเป็นอาบัติอยู่ข้อหนึ่งแล้วไม่ได้ทําคืนเดือดร้อนใจเวลาใกล้จะตายไปเกิดเป็นงูเป็นพญานาคเวลาผ่านไปเนี่ยจนพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาเกิดแกก็มาฟังธรรมฟังก็ไม่ได้บรรลุอะไรที่ไม่ได้บรรลุเนี่ยจริงๆควรจะได้บรรลุมาก เตที่ไม่ได้บรรลุเพราะเครื่องกั้นคือมิบากไม่สามารถบรรลุมรคผลได้ <c oughs> ทีนี้วิบากนี้ก็มาจากกรรมใช่ไหมเพราะนั้นผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมเนี่ยติเฮตุกะปฏิสนที่นี่สำคัญมากนั่นก็ฝักใฝ่บุญประเภทปัญญาไว้เพราะบุญประเภทปัญญานำเกิดแล้วก็สามารถที่จะบรรลุมรคผลได้ พิเศษก็ทําด้วยปัญญานั่นแหละทำบุญอะไรก็ทําไปเถอดแต่ต้องทําด้วยปัญญาให้ทานก็ปารบกรรมสกตาเป็นเบื้องหน้ารักษาศีลก็มีกรรมสกตาเป็นต้นเนี่ยนะอย่างน้อยอะ่ะให้ให้มีปัญญาประกอบแบบนั้นบุญประเภทนั้นนําเกิดอ่ะจึงจะทําให้คติที่ดีทีนี้ในโลกนี้เขาถามว่าเปรียบเอาอะไรมาเปรียบเทียบว่าใครติเหตุกะกับทวีเหตุกะโดยมากท่านอันนี้นี่พูดโดยพระหุระนยะเนี่ยนะ คือนัยยะที่ว่าด้วยมากเขาไว้ก่อนคนฐานะดีโดยมากเป็นติเหตุกะปฏิสนธิและก็โดยมากก็รูปร่างก็จะดีตระกูลก็ดีนะัคือกษัตริย์เนี่ยตระกูลเนี่ยพราหมณ์ครือหบดีเนี่ยนะโดยมาก3มตระกูลเนี่ยจะเป็นตระกูลที่เป็นติเหตุกะอันนี้โดยมากนะ เพื่ตีเหตุตุกะไปปฏิสนที่ตะกูลต่ำก็มีเนี่ยนะแต่ว่าไม่มากเนี่ยนะโดยมากก็เขาบอกว่ากรรมที่ติเหตุนำเกิดจะเป็นคนรูปร่างดีเนี่ยนะถ้าทวิเหต์เขาบอกว่าติเหตุตุกะ์นำเกิดนะอุบเหมือนกับนายช่างผู้ฉลาดวาดภาพส่วนทวิเหตุนำเกิดเหมือนกับว่ามือสมัครเล่นวาดภาพก็สมควรกับเหตุเนาะ ทีนี้ในบรรดาติเหตุกะปฏิสนที่เนี่ยนะที่เป็นวิบากซึ่งเป็นผลของมหากุศลทั้ง8มหากุศลทั้ง8ดนั้นอ่ะมาจากไหนก็มาจากกรรมกรรมที่จะนำเกิดทีนี้ในบรรดาเรื่องกรรมนี่ในปฏิสัมพิ t ากล่าวถึงกรรมสบ